นวโกวาดรรมวิภาคทัศกะคือหมวดสิบอากุศลกรรมบทสิบจัดเป็นกายกรรมคือทำด้วยกายสามอย่างหนึ่งปานาติบาตทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงคือฆ่าสัตว์สองอจินนาทานถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย 3. กาเมสุมิชาจารประพฤติผิดในกามจัดเป็นวจีกรรมคือทำด้วยวาจาสี่อย่าง 4. มุสาวาจพูดเท็จ 5. ปิสุนาวาจาพูดส่อเสียด 6. พรุสวาจาพูดคำหยาบ 7. สัมผัสปลาปะ พูดเพ้อเจร์จัดเป็นมนโนกรรมคือทำด้วยใจสามอย่าง 8. อาิชชาโลภอยากได้ของเขา 9. พยาบาทปองร้ายเขาส0บมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากคลองธรรมกรรมสิบอย่างนี้เป็นทางบาปไม่ควรดำเนิน อุสรกรรมบทสิบจัดเป็นกายกรรมสามอย่าง 1. ปานาติปาตาเวรมณีเว้นจากทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง 2. องินนาทานาเวรมณีเว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย 3. กาเมสุมิชาจาราเวรมณี เว้นจากประพฤติผิดในกรรมจัดเป็นวจีกรรมสี่อย่าง 4. มุสาวาทาเวรมณีเว้นจากพูดเท็จ5ปิสุนายวาจายะเวรมณีเว้นจากพูดส่อเสียด6กพรุสายวาจายะเวรมณีเว้นจากพูดคำหยาบ7 สัมผัสปลาปาเวรมณีเว้นจากพูดเพ้อเจอ้อจัดเป็นมนโนกรรมสามอย่าง 8. อนัพิชชาไม่โลภอยากได้ของเขา 9. อัพยาบาทไม่พยาบาทปองร้ายเขา 10. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบตามคลองธรรม กรรมสิบอย่างอย่างนี้เป็นทางบุญควรดําเนินบุญกิริยาวัตถุ1ิบอย่าง 1. ทานนิมัยบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานสศีลนิม่ยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล 3. ภาวนาไมบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา 4. ี่อปจายณะใหม่บุญสำเร็จด้วยการประพฤติถ่อมตนแก่ผู้ใหญ่5เวยาวัจจะใหบุญสำเร็จด้วยการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบ 6. ปฏิทานะใหม่บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ 7. ปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ 8. ธรรมะสวณใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรม 9. ธรรมะเทสนามัยบุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมส0ทิทุชุ ก, กรรมการทำความเห็นให้ตรงธรรมะที่บรรพชิตควรพิจรารณาเนืองเนืองสิบอย่างหนึ่งบรรพชิต ควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากขฤหัดแล้วอาการกิริยาใดๆของสมณนะเราต้องทำอาการกิริยานั้นๆ 2. บรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย 3. บรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่า อาการกายวาจายอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้สบรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ 5. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าผู้รู้ใกล้ครวนแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่ 6. บรรพชิตควรพิจารณานเนืองเนืองว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้น 7. บรรพชิตควรพิจารณานเนืองเนืองว่าเรามีกรรมเป็นของตัวเราทำดีจักได้ดีทำชั่วจักได้ชั่ว 8. บรรพชิตควรพิจารณานเนืองเนืองว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ เก้าบันพชิตควรพิจรารณาเนืองเนืองว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่สิบบันพชิตควรพิจรารณาเนืองเนืองว่าคุณนวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบันพชิตถามในการภายหลังนาถะกรณธรรม คือธรรมะธรรมที่พึ่งสิบอย่าง 1. ศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อย 2. พาหุสัจจะความเป็นผู้ได้สดับรับฟังมาก 3. กัลยานามิตตาตาความเป็นผู้มีเพื่อนดีงามสโซวัจจสตตาความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย 5. กิงกรณีเยสุทัคตาความขยันช่วยเอาใจใส่ในกิจธุระของผู้อื่น 6. ธรรมะกามตาความใกล้ในธรรมะที่ชอบ 7. วิริยะเพียรเพื่อจะละความชั่วประพฤติความดี 8. สันโดษยินดีด้วยผ้านุ่งผ้าหม่มอาหารที่นอนที่นั่ง และยาตามมีตามได้เก้าสติจำการที่ได้ทำและคำที่พูดแล้วแม้นานได้สิบปัญญารอบรู้ในกองสังขารตามเป็นจริงอย่างไรกถาวัตถุคือถ้อยคำที่ควรพูดสิบอย่างหนึ่ง อปิดจักะาถ้อยคำที่ชักนำให้มีความราธนาน้อยสองสันตุทิกะาถาถ้อยคำที่ชักนำให้สันโดษยินดีด้วยปัจัยตามมีตามได้สามปวิเวะกะาถาถ่อยคำที่ชักนำให้สงัดกายสงัดใจ 4. อสังสัคคะกะถา ถ้อยคําที่ชักนําไม่ให้ละคนด้วยหมู่ 5. วิริยารมภะกถาถ้อยคําที่ชักนําให้ปราบรบความเพียน6กสีลกถาถ้อยคําที่ชักนําให้ตั้งอยู่ในศีล7สมาธิกถาถ้อยคําที่ชักนําให้ทําใจให้สงบ8 ปัญญากาถาถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดปัญญา 9. วิมุตติกาถาถ้อยคำที่ชักนำให้ทําใจให้พ้นจากกิเลส 10. วิมุตติญาณทัศนนากาถาถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดความรู้ความเห็นในความที่ใจพ้นจากกิเลสอนุสติ คืออารมณ์ควรระลึกสิบประการหนึ่งพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าสองธรรมานุสติระลึกถึงคุณของพระธรรมสสังขานุสติระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ 4. สศีลานุสติระลึกถึงศีลของตน หาจาคานุสติระลึกถึงทานที่ตนบริจาคแล้ว 6. เทวตานุสติระลึกถึงคุณที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดา 7. บมรณัสติระลึกถึงความตายที่จะมาถึงตน 8. กายคัตตาสติระลึกทั่วไปในกายให้เห็นว่าไม่งาม นาเกลียดโสโครกเก้าอาณาปานาสติตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกสิบอุปสมานุสติระลึกถึงคุณพระนิพพานซึ่งเป็นที่ระงับกิเลสและกองทุก